คนดื้อที่จะอยู่กับบาปน่าสงสารระหว่างเป็นคนดือ้อกับเป็นคนมีจุดยืนจะเอาอะไรเป็นเครื่องชี้ถ้าต้องกังวลว่าเป็นคนดือ้อเพียงเพราะคนที่ไม่ชอบใจหาว่าคุณดือ้อหรือถ้าจะเชื่อมั่นว่าเป็นคนมีจุดยืนเพียงเพราะคนที่ชอบใจชมว่าคุณมีจุดยืนอย่างนั้นนับว่าขาดเหตุผลที่ดี เข้าขายชอบชีวิตแบบพวกมากลากไปแค่หยุดสังเกตตัวเองง่ายๆทุกครั้งว่าเมื่อจะตกลงใจทำตามคําขอของคนอื่นหรือปฏิเสธที่จะเอาตามใครสั่งอาการทางใจของคุณแข็งขืนดือด้อๆในหัวมีแต่ความรู้สึกว่าจะเอาอย่างนี้ซะอย่างหรืออาการทางใจของคุณแข็งแรงจริงๆในหัว มีคําอธิบายทั้งข้อดีและข้อเสียชัดเจนว่าเหตุใดจึงจำเป็นต้องยืนกรานอยู่ที่จุดนั้นที่ใช้จุดสังเกตนี้รอเวลาดือ้อคนเราจะเลิกใช้เหตุผลทางความคิดพูดง่ายๆคือหยุดคิดแล้วหันไปใช้เหตุผลทางอารมณ์พูดง่ายๆคือเอาแต่ใจเมื่อใช้เหตุผลอย่างดีแล้ว แต่ไม่เป็นอย่างใจใครและเขาว่าคุณดื้อก็ค่อยปล่อยไปเพราะเป็นเรื่องของความเห็นไม่ตรงกันสุดแต่ใครจะขนานานามให้คุณเป็นอะไรแต่ถ้าใช้แค่อารมณ์หรืออ้างอิงจากคุณงามความดีที่เคยมีมาก่อนเอามาใช้ยืนยันว่าตัวเองดีแล้วไม่ต้องฟังใครแล้วอันนี้ลหละอยู่บนเส้นทางกรรมของคนดื้อของจริง หลายทางของคนดือ้อย่อมเหมาะกับพบหรือภาวะที่ไม่สมเหตุสมผลจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็เกิดขึ้นดือด้อๆได้ทุกเมื่อคนส่วนใหญ่เอาความดื้อรั้นของตัวเองเป็นความถูกต้องจึงไม่อาจเห็นว่าทั้งชีวิตทำผิดอะไรไปบ้างดื้อที่จะอยู่กับบาปนั้นน่าสงสารระหว่างมีชีวิต ก็อึดอัดกระสักกระสายนอนหลับยากบางคนย้อนระลึกได้แล้วสำนึกผิดแต่บางคนก็สำนึกอะไรไม่ได้เลยตลอดชีวิตนั่นแหละเรื่องหน้าเศร้าที่แท้จริงก่อนตายหากตายไปทั้งที่จิตยังหลงยึดกรรมผิดผิดทั้งโลภะและโทสะบีบคั้นให้ยึดยอมได้ชื่อว่าพร้อมจะก่อบาปก่อกรรมชั่วทุกชนิด ความพร้อมจะก่อบาปย่อมส่งไปอยู่ในถิ่นคนบาปหรือถิ่นธุระกันดานที่เหมาะสมกับผู้มีเนื้อตัวชุ่มบาป